เรื่องสมาธิที่วัดภูหินดังในวันพระเมื่อปีพศ2539ถ้าอาตมาเห็นใครชอบเพีียวเตรชอบไปเล่นโบกเล่นไพ่ชอบไปวางแผนไปก่อการทะเลาะวิวาสตลุมบอลกันเป็นหมู่เป็นคณะ ถารู้นิสัยใครเป็นอย่างนี้และรู้ว่าเขาชวนกันไปประพฤติชั่วตามที่กล่าวมาเป็นต้นนั้นอาตจจมาจะไม่ชื่นชมด้วยไม่ดีใจด้วยไม่ส่งเสริมแม้จะรู้ว่าเขากำลังจะทำสิ่งนั้นๆั้นแต่ว่าในกรณีซึ่งญาติโยมแสดงออกในคราวนี้เป็นเรื่องความดีความงาม เป็นเรื่องของคนอยากจะได้บุญเมื่อไปเรียนหนังสือเขาก็อยากได้มีความรู้เอาความรู้กินไม่ได้หรอกเอาความรู้มันุ่งแทนเสื้อผ้าก็ไม่ได้และเอามาเข้าไว้ในตัวทำไมความรู้เพราะความรู้ที่มีอยู่ในตัวถ้ามีมากเพียงพอเก่งเพียงพอนี่สิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานั้นจะพาให้เราได้ดีเช่นสอบเข้าทางานทาการได้ก็เพราะความรู้ บางทีสอบเลื่อนขั้นก็เพราะความรู้เมื่อมีงานมีการกร็ได้เงินเดือนเมื่อมียศมีตาแหน่งสูงก็มีบริวารมีลูกน้องเยอะมันก็ไปจากความรู้นี่แหละเป็นต้นทางเป็นต้นเหตุเป็นใบเบิกทางนี่ฉะนั้นเรื่องความรู้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพราะมันจําเป็นหรือเป็นประโยชน์นี้เองคนจึงแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้เรียนกันคนลหลายปีเสียเงินไม่ใช่น้อยกว่าจะจบกว่าจะเก่งลงทุนทีแรกก็ไม่ได้งานเรกได้ความรู้เหมือนกับเสียเงินค่าเทอมไปแล้วก็เป็นอากาศเพราะตัวความรู้ที่ได้นมันมองไม่เห็นเสื้อผ้าชุดนักเรียนอุปกรณ์ปากกาสมุดบินสอ ซื้อไปแล้วมันก็เป็นกระดาษเรียนไปแล้วก็ไม่ได้เอามากอดมาห่อไว้แต่สิ่งที่มันได้นั้นมันอยู่ในตัวเรามันก็ไม่มีตัวตนให้เห็นไม่เหมือนสิ่งอื่นที่เอามาเกี่ยวข้องกับตัวถ้าเอาตุ้มหูมาประดับตัวเอามาไว้ที่หูเราก็มองเห็นถ้าเอาสร้อยมาเกี่ยวข้องมาประดับตัวคล้องคอเราก็มองเห็น ฉะนั้นการลงทุนลงรอนซื้อตุ้มหูมาสวมใส่เราก็รู้ว่าเสียเงินไปแล้วได้สิ่งที่มองเห็นเอาสร้อยมาสวมใส่คอหรือเอาแหวนมาสวมใส่นิ้วเอาเงินไปซื้อมาเอามาประดับเราก็มองเห็นแต่ที่เสียเงินค่าเทอมเสียเงินค่าสมุดปากกาดินสอเครื่องแต่งตัวของนักเรียนปีแล้วปีเล่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนักเหมือนกับการแบกของไหม มองเห็นเหมือนตุ้มหูไหมไม่เห็นถ้าไม่เห็นแล้วมันกินไม่ได้เหมือนข้าวแล้วมันสําคัญตรงไหนทุกคนก็ถ้าคิดให้ดีเรารู้ประโยชน์ของการศึกษามีเยอะอัตมาเคยพูดอยู่เสมอวันนี้จะไม่เน้นทีนี้ท่านทั้งหลายนี่มากันมากหน้าหลายตาเป็นคนต่างร่างไม่ใช่ร่างเดียวกันวันนี้มาหลายร่าง ต่างเพศต่างวัยต่างบ้านต่างเมืองมาใกล้และไกลนั่นเป็นเรื่องความต่างแต่สิ่งเดียวกันก็คือเหมือนดวงใจเดียวกันที่ชอบมีคนพูดกันว่าต่างร่างเหมือนหัวใจเดียวกันพวกเรานี้ต่างร่างจริงไหมทุกคนตอบได้และถูกต้องว่าต่างร่างเราก็คือเราเขาก็คือเขาต่างคนต่างนั่ง ร่างเรานั่งร่างเขานั่งแต่ว่าต่างใจไหมนี่ไม่ต่างเหตุที่มานั่งอยู่ที่นี่นั้นเป็นความเหมือนกันคือใฝ่ฝันเรื่องบุญเรื่องกุศลอยากเพิ่มบุญอยากเพิ่มบารมีเป็นการแสดงออกในลักษณะของการลงทุนในเรื่องเสียเวลาในเรื่องของความเหนื่อยก็เป็นการลงทุน ชาวไร่ชาวนานั้นลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งเหนื่อยทำไร่ทำนาเหงื่อโทมกายเหงื่อไหลคลายย้อยทำงานหนักตัวเป็นเกลียวเป็นการไปทรมานเพื่อให้มันได้สิ่งที่หวังนักบวชนักรถนักสร้างบารมีก็มีการฝืนมีการทรมานไม่ใช่ทรมานเพื่อเป็นเกมสนุก แต่เป็นการเอาความเหนื่อยไปแลกกับบุญบารมีถ้าไม่ยอมเหนื่อยมันไม่ได้ง่ายๆนี่แหละท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้จึงมาในฐานะนักลงทุนสิ่งที่ท่านได้นั้นจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมอาตมามองเห็นชัดเจนมองด้วยเหตุผลด้วยสติด้วยปัญญาเห็นท่านทั้งหลายจะได้หลายสิ่งหลายประการ แต่ถ้าคนไม่คิดก็อาจจะไม่ทราบหรือคิดแต่ว่าเป็นคนที่มีภูมิทางความคิดน่ะตื่นไม่คิดลึกไม่คิดละเอียดก็จะไม่รู้ประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนบางคนให้ปลูกต้นไม้เขาก็ปลูกไปอย่างนั้นแต่ปลูกทำไมปลูกและเป็นประโยชน์อย่างไรต้นไม้เป็นประโยชน์ต่อดินอย่างไรต้นไม้เป็นประโยชน์ต่ออากาศอย่างไร และเราเป็นคนปลูกเราเป็นคนเสียเวลาเราเป็นคนเหนื่อยและต้นไม้มันให้อะไรเก่เรานี่ถ้าหากว่ารู้จักคิดนี่โอ้ประโยชน์มันมีมากฉะนั้นความรู้จักคิดนั้นมันทำให้คนทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำด้วยความเต็มใจเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมองเห็นชัดเจนถ้าเห็นประโยชน์ชัดเจนความพอใจที่จะทาสิ่งนั้นก็เต็มใจ เมื่อมีความเต็มใจก็ลงมือทําด้วยความมานะด้วยความบากบัน่นด้วยความอดทนที่ต้องทนได้เพราะใจยังรู้อยู่เสมอว่ากําลังทําสิ่งที่ดีกําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์พอใจอยู่เสมอพ่อแม่แม้จะต้องทํางานอาบเหงื่อต่างน้ําหาเงินมาส่งลูกเรียนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเรื่องเวลาลงทุนไม่ใช่น้อยปี ในเรื่องทา ม, มาหากินที่ต้องลำบากเหมือนคนมีเวรมีกรรมแต่ทำไมพ่อแม่ถึงเต็มใจทำเรื่องลำบากนั้นไม่ค่อยคิ ด, คดแต่ว่าจะหาเงินหาเงิน ห, า เ, นหาเงินเพื่อส่งลูกเรียนใจมันไปเกาะอยู่จุดนั้นมันเลยลืมเป็นลืมตายลืมเหนื่อยลืมยากนักสร้างบุญนักสร้างบา ร, รมีนั้นถ้าได้คำนึงว่าสิ่งนี้ดีงามสิ่งนี้เป็นศีลเป็นธรรมสิ่งนี้ถ้าเราฝึกฝนไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิด ความดีงามแก่ชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ใช่เชื่ออย่างลอยๆตามหนังสือว่าไม่ได้เชื่ออย่างลอยๆตามได้ยินเขาว่าแต่พิจารณาด้วยเหตุผลว่าเป็นประโยชน์อย่างไรใจเห็นชัดเจนเมื่อใจมันไปเกาะในเหตุผลที่เห็นชัดเจนแล้วความชัดเจนความหนักแน่นมันก็อยู่ในใจเรากระทาสิ่งนั้นไปด้วยความบากบัน่นด้วยความมั่นคง แม้จะเหนื่อยก็ไม่ได้คำนึงว่าเหนื่อยแต่ใจนั้นคำนึงอยู่เสมอว่ากำลังทำสิ่งที่สูงที่ประเสริฐ <Yeah. S 1> เมื่อภูมิใจยอย่างนี้ก็ทำด้วยความยุ่งยากด้วยความลำบากแต่ว่าพอใจอิ่มใจสุขใจเมื่อมีคนมาพูดให้เขวเราก็ไม่เขวเพราะใจเราได้ปักมั่นแล้วว่าสิ่งนี้ดีแล้วเราได้กลั่นกรองดีแล้วเราได้พิจารณาอย่างแยกายแล้ว ฉะนั้นสิ่งที่เราแน่ใจว่าเราพิจารณาแยกคายแล้วนี่ไม่มีทางหรอกที่คนอื่นเขาจะมาโน้มน้าวด้วยเหตุผลตื่นตื่นเพราะเราแน่ใจว่าเราคิดลึกกว่าเขาฉะนั้นตัวปัญญานี่ถ้าคมยังไม่พอถ้าฉลาดยังไม่พอเนี่ยใจมันจะแขวนแขวงนั้นคือไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวไม่ค่อยจะมีจุดยืนที่มั่นคงแน่นอนฉะนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมีใครยกย่องให้กำลังใจก็ทำความดี แต่ทำความดีไปมีคนไม่เข้าใจติฉินนินคาค่อนขอดนิดหน่อยก็บอกว่าทำดีแทบตายยังมีคนใส่ร้ายไม่อยากทำอีกแล้วแน่คว้างไปแล้วคว้างพระพุทธเจ้าทิ้งคว้างบุญบา ร, รมีทิ้งเหมือนบางคนที่ไปเชื่อเพื่อนเรลวๆแล้วเอาเพื่อนเป็นเกณฑ์แล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่ลำบากเลี้ยงดูโดยใจที่รักที่เป็นห่วงไปเทียบไม่ได้ดอกกับเพื่อนแต่ว่า สิ่งที่ดีเหนือเพื่อนผู้ที่ดีเหนือเพื่อนประเสริฐเหนือเพื่อนนั้นเคยมีบางคนทิ้งไปแต่เอาเพื่อนแต่ทิ้งพ่อแม่ฉะนั้นไม่แน่เหมือนกันชาวพุทธบางคนก็เอานิสัยตัวเองเป็นเกณฑ์ฉันอยากทําอะไรเป็นเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวกิเลสมันพาคิดอย่างนั้นฉันจะพูดก็เป็นเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยว แต่ว่าได้ทำตามพระพุทธเจ้าไหมอารมณ์ของเรานะ่ะดีแค่ไหนทำไมจะต้องอะไรกาเราเป็นใหญ่เราเป็นเกณฑ์เราจะทำตามอารมณ์เราถ้าแบบนี้ท่านกำลังทำลายคุณธรรมภายในตัวท่านที่ท่านเกิดเป็นคนนั้นอย่าลืมว่าท่านอาศัยสิ่งหนึ่งเป็นตัวนาพาคือความดีที่มากเพียงพอความดีนั้นมันมากับวิญญาณของท่านะฉะนั้น ถ้าหากว่าวิญญาณของเราเนี่บรรทุกเอาความดีมากเพียงพอเป็นนิสัยเยอะวิญญาณที่ดีๆนั้นมันไม่สมหรอกที่จะต้องไปตกทุกข์ได้ยากวิญญาณที่มีดีติดเป็นนิสัยเยอะนะ่ะมันไม่ควรหรอกที่จะไปเดือดร้อนฉะนั้นมันจะไปเข้าท้องหมูท้องหมาท้องเป็ดท้องไก่ให้ไปเดือดร้อนนะมันมันไม่เข้ามันจะไปสิงอยู่ในร่างของคนแ่ะที่จะมีสติปัญญาแก้ปัญหาได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆมากมายในโลกนี้ มีสัตว์หลายประเภทหนาวไม่รู้จะตัดเสื้อผ้าใส่ได้แค่นอนครางมีสัตว์หลายประเภทปวดหัวก็ไม่รู้จะไปซื้อยาพาราเซตามอนมากินมันก็ทนปวดทนทรมานอย่างนั้นแหละมันเกิดมาโง่สติปัญญามันมีน้อยถ้าสติปัญญามีน้อยเจอทุกข์กี่กองจะแก้ไม่ตกความฉลาดไม่ถึงคนมีเงินน้อยจะหวังเป็นสิบสิบเรื่องมันก็จะพังแหละไม่ได้สมหวัง มีเงินห้าบาทอยากได้บ้านใหญ่โตก็ผิดหวังอีกชอบช้าอีกมีเงินห้าบาทอยากจะได้รถเก๋งก็ผิดหวังอีกฉะนั้นไม่ดูกำลังเงินว่ามันเป็นเหตุที่จะได้สิ่งนั้นนั้นไหมคนที่มีบุญน้อยมาเกิดนี่จะผิดหวังเยอะคนที่มีบารมีน้อยมาเกิดก็จะผิดหวังเยอะฉะนั้นคนเหมือนกันก็จะเหมือนตรงที่คำว่าคนหรือจะเหมือนตรงที่ว่าสองตาสองแขนสองหู แต่ว่าบารมีนั้นมันไม่เหมือนกันดอกคนเราผิวพรรณไม่เหมือนกันความรู้ไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆสูงไม่เท่ากันอันนี้เราก็เห็นชัดแต่ความสูงของบารมีนี่ก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วบารมีนั้นท่านหมายถึงความดีที่เราเก็บเราสั่งสมอย่างคนที่ฝากเงินในธนาคารนะเยอะแยะนั่งอยู่นี่นะ่าคงจะหลายสิบคน แต่ฝากมากน้อยไม่เท่ากันหรอกถ้าใครมีเงินอยู่ในธนาคารหนึ่งร้อยบาทอีกคนหนึ่งหนึ่งพันบาทอีกคนหนึ่งหนึ่งมื่นคนหนึ่งหนึ่งแสนคนหนึ่งหนึ่งล้านคนหนึ่งหนึ่งโกดสมมติว่าฝากอย่างนั้นแล้วเขาให้ถอนใช้วันละห้าบาทท่านไม่ต้องทํางานท่านก็มีเงินใช้เพราะว่ามันเป็นผลที่ท่านทํามาแล้วจนเอาไปฝากธนาคารไว้ไปเบิกวันละห้าบาทนี่ร้อยวันเราจะใช้ไปกี่วันไม่ต้องทํางานก็มีใช้ แน่นอนถาคิจสั้นๆมันสบายมากวันนี้ก็เที่ยวไปเบิกพรุ่งนี้ก็เที่ยวไปเบิกแต่มันหมดเป็นไหมละ่ะร้อยบาทและมันหมดเร็วด้วยบางคนเคยสุขเคยสะดวกเคยสบายแต่สักระยะหนึ่งหมดบุญแล้วจะเป็นคนตกรกรรมลำบากตอนตอนแก่จนถึงกับปรงอนิจจังว่าไม่น่าเลยนึกไม่ถึงว่าชะตาเราจะเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างนางปตาจาราและลูกคนรวยแท้ เอาไปเอามาหมดทั้งตึกตั้งเจ็ดชั้นกับพังทลายทับพ่อแม่ตายแล้วก็บเขาผัวเองกับตัวเองกับตายมีลูกก็ตายนี่เขาเรียกมันอยาว่าแต่หมดบ้านหมดเรือนหมดพ่อแม่หมดสามีหรือลูกตายจากเอาไปเอามาจะหมดตัวเลยซ้ําไปที่หลวงพ่อสันเทศเสียอกเสียใจสารพัดที่มารุ่มมาตุ้มตัวเอง้าพอนท่อนสบายหลุดไม่ได้นุ่งเพราะเสียสติสตัง เสียใจมากนี่เสียใจมากนี่จิตใจมันจะเสียหลักคนถ้าชนต่อแรงๆนี่จะต้องล้มแน่ถ้าชนค่อยๆก็ไม่เจ็บมากนักสติคนเราถ้ากลุ้มมากๆใครบอกมันกลุ้มแรงๆเสียคนเป็นบ้าไปเลยแต่ถ้ากลุ้มทีละนิดทีละนิดวันละนิดนี่มันก็บ้าวันละนิดวันละนิดเหมือนกันฉะนั้นวันนี้จะเทศเรื่องสมาธิเพื่อป้องกันบ้า พือทำใจให้สบายจะได้ไม่เสียกำลังความคิดมันจะได้มีศักยภาพมีความเข้มแข็งมีคุณภาพเยี่ยมเสื้อผ้าคุณภาพเยี่ยมนั้นท่านจะใช้ได้นานรถที่คุณภาพเยี่ยมท่านก็ใช้ได้นานถูกอกถูกใจท่านตัวท่านเองก็ต้องให้มีคุณภาพเยี่ยมพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกวิธีสร้างชีวิตให้มีคุณภาพเยี่ยม และจะเป็นชีวิตที่มีประโยชน์แก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้านอกจากนั้นแล้วคนที่มีคุณภาพเยี่ยมนั้นจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วยอย่างเดียวนี้แหละอาตมากำลังพูดอยู่นี้อาตมาก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในอาตมาไม่ใช่มีเมื่อสักครู่หรอกหามาไว้นานแล้ว เอาความคิดความอ่านเอาความรู้ที่เก็บเอาประสบการณ์ที่มีเอาบุญบา ร, รมีเท่าที่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีมาฉะนั้นเมื่อออกมาพูดเป็นเสียงนั้นมันปลายทางหรอกแต่มันมีอะไรที่ทำให้ต้องพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเข้าใจได้แค่ไหนก็เท่าสติปัญญาแหละมีเงินหบาทก็ซื้อของได้เท่าที่ห้าบาทนั่นแหละสติปัญญาสั่งสมไว้มีแค่ไหนมันก็ไปได้เท่านั้นพอเหมาะพอตัว แสมรรถภาพของแต่ละบุคคลในเรื่องของการจะฝึกฟ้อนรำจะให้ดูอ่อนช้อยเหมือนกันหมดไม่ได้แม้จะมีมือเหมือนกันก็ตามศักยภาพในแต่ละคนที่มีเป็นพื้นฐานนั้นไม่เหมือนกันเรียนจบพร้อมกันจะให้เก่งเหมือนกันหมดไม่ได้ฉะนั้นมันจึงมีที่หนึ่งที่สองที่สาม ในเรื่องบา ร, รมีไม่ว่าจะเป็นบา ร, รมีอะไรก็ตามที่จะเอามาเก็บไว้ในจิตใจนั้นบางคนเก็บไว้น้อยหรือเกินพระพุทธเจ้านั้นท่านเก็บบา ร, รมีทุกอย่างไว้ในใจของท่านและบา ร, รมีแต่ละอย่างนั้นท่านเก็บไว้อย่างเต็มเปี่ยมค่้ายว่ามีเงินก็มีเต็มที่มีบ้านก็ใหญ่โตเต็มที่มีไร่มีนาให้มากเต็มที่ในลักษณะนั้นแหละแต่บา ร, รมีหมายถึงความดีที่จะเก็บไว้กับจิตใจ เอาไรเอานามาแขวนไว้กับใจได้ไหมอันนั้นไม่ใช่บารมีลูกหลานที่เรารักเราหงแหงหายใจเป็นเขาเขาคือตัวบารมีไหมเอามาพกไว้ที่หัวใจได้ไหมไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างที่มันอยู่กับใจที่จะเรียกว่าบารมีสิ่งที่อยู่กับใจและจะเรียกว่าบารมีได้นั้นจะต้องเป็นสภาวะของความดีงาม ใจของพวกเราเนี่ยมันมาแต่สิ่งที่ดีงามอย่างนั้นหรือเป็นนิสัยนิสัยไม่ดีมีบ้างไหมบางคนดีอย่างนี้แต่ไม่ดีอย่างนั้นมันละกันมาแต่มีดีเยอะมีชั่วในน้อยในตัวของเขาก็เป็นคนน่าคบอยู่น่ารักอยู่น่านับถืออยู่แต่ถ้าหากว่ามีนิสัยไม่ดีมากเหลือเกินมีความดีน้อยเราก็คบไม่ค่อยลงหรอกอไม่ว่าการทําไม่ว่าการพูดไม่มีลักษณะของคนที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติหรือสร้างบรารมีฉะนั้นแม้เราจะมีอะไรบางอย่างที่พอตัวแต่เราจะเป็นโทษเป็นภัยในระยะยาวแก่ตัวเราเองและอาจจะไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมถ้าเราไม่ค่อยจะมีคุณธรรมแม้จะมีความรู้แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเก่งก็เก่งเข้าไปจะเอาตัวรอดจะเป็นคนเจ้าเล่ห์จะเป็นคนปลิ้นปล้อนจะเป็นคนคดในข้องอในกระดูก ชระ บ, บังหลวงพลิกแปลงแง่กฎหมายสารพัดและถ้าเก่งโดยที่ไม่มีความดีควบคุมนี่อันตรายถ้าเก่งในทางความรู้นะถ้าเก่งในทางพละงกำลังโดยไม่มีความดีควบคุมนี่เที่ยวเตะเที่ยวต่อยคนก็ถือว่าตัวเองเก่งก็อันตรายฉะนั้นชีวิตถ้าไม่มีคุณธรรมควบคุมนั้นคนเราจะมีพิษสงร้ายกาดจะทําสังคมนี้ให้ป่นปี๋ได้น่ากลัวที่สุด อย่างที่เห็นเห็นกันนะที่ว่าใจดําอมหิทธข่มคืนแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งจีดล่นแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นความเหี้ยมโหดที่ไม่ได้คํานึงถึงชีวิตของคนมันโหดมาจากใจมันไม่ใช่โหดที่ปลายมีดปลายดาบคนที่ใจเขาดีว่ามีมีดก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อใครฉะนั้นเรื่องคุณธรรมนะ่ะมันสําคัญมาก ในแง่ที่เป็นจริงในแง่ที่ถูกต้องในแง่ของคนประเสริฐแต่ถ้าใครเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จําเป็นไม่สําคัญแสดงว่าคนนั้นยังไม่ใช่คนประเสริฐยังห่างพระพุทธเจ้ามากและนับวันจะห่างเพราะเดินสวนทางกันพระองค์ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ประเสริฐจําเป็นให้พากันเหนื่อยในสิ่งสร้างบุญสร้างบารมีน้อยเขาก็ไม่เห็นอย่างนั้น ยมถ้าเหนื่อยไม่ต้องพลันมือก็ไดนะ้นั่งแบ บ, บสบายสบายเอจะเทศเรื่องสมาธิทำไมยังไม่เห็นเข้าเรื่องเลยพูดทั้งหมดนี้เนื่องจากตอนตอน้นมีความรู้สึกตอนชาร์อารมณ์ตัวเองว่าเหนื่อยเป็นเหนื่อยง่วงเป็นง่วงสู้ไปเถอะนุ่นนั่งหน้าสลอนอยู่เป็นคนใจงดงามเขาอยากได้บุญเขาจึงเสียเวลามาเขาอยากได้บุญเขาจึงเหนื่อย จึงทนเขาอยากได้บุญจึงทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาต้องปลุกหัวใจอย่างนี้แล้วมันก็ไปปิดความเหนื่อยตอนนี้หายเหนื่อยแล้วแหละมีธรรมโอสถคือคิดแบบหลักธรรมแล้วมันจิตใจเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาว่าเหนื่อยเพื่อคนต้องเยอะแยะนี่เท่ากับว่าเรายกระดับฐานะเพิ่มความรู้ให้เขาเขามาวัดเขาหวังพึ่งพระ เขามาขอเกาะชายผ้าเหลืองเป็นจำนวนพูดนะหมายความว่าถ้าพระแนะนำดีเราปลอยรู้ดีอย่างนี้เรียกว่าสูงเกาะพร ะ, พระรก็เลยบอเก็บเกาะชายผ้าเหลืองไม่ใช่ให้เกาะจริงๆนะมหามังกรไม่ให้เกาะแน่นอนนะ่ะไม่ใช่พระนิกรนะนี่มหามหามังกรฉะนั้นก็ดีใจอยู่ว่าเรามาเหนื่อยกันในเรื่องอะไรมาเหนื่อยในเรื่องอยากให้คนได้ดิบได้ดีนี่ภาษาหัวใจก็คือตอนนี้จะขึ้นธรร ม, มา ยอมเหนื่อยเพื่อให้คนได้ดิบได้ดีเหมือนพ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกได้ดีจะถือว่าพ่อแม่งโง่หรือที่ทรมานตัวเองฉะนั้นถ้าไม่อยากทรมานตัวเองก็ถือว่าตัวใครตัวมันปอดมาแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงดูสบายดีมีครอบครัวและเปรบเที่ยบเท่เหมือนเดิมสบายจริงๆแหละไม่ต้องทําไร่ทํานาถ้าไปมองมุมนั้นแต่ในแง่ของความรับผิดชอบอย่างสมศักดิ์ศรีโดยฐานะ โดยความเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่มีเหลืออยู่เลยว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ประเสริฐนั้นมันประเสริฐตรงไหนมันก็ประเสริฐตรงหน้าที่ของความรับผิดชอบฉะนั้นเมื่อมีหน้าที่มันก็ต้องเหนื่อยต้องเสียเวลาการเทศน์เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของพระพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าธรรมะมันสำคัญจาเป็นมากต่อชีวิตต่อความร่มเย็นเป็นสุขของสังคม เมื่อจาเป็นอาหารจำเป็นต้องให้เขาได้กินอาหารเมื่อธรรมะมันจำเป็นต้องให้เขาได้เรียนรู้จิตสานึกเขาจะได้ดีเมื่อฟังมากค่อยเข้าใจเหตุผลจิตใจค่อยดีขึ้นเขาจะกลับเนื้อกลับตัวได้ถ้าสังคมนี้แม้จะต่างร่างคนไทยตั้งเกือบหกสิบล้านนี่ต่างร่างแต่ถ้าจิตใจนั้นสูงอยู่ในศีในธรรม ใครจะทำอะไรก็อยู่ในศีลในธรรมรับรองไม่เสียหายแก่ตนและคนอื่นไม่เดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นแต่ที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่ทุกครั้งที่ผิดศีลแล้วเดือดร้อนทั้งนั้นเละผิดศีลข้อที่หนึ่งไปฆ่าไปแกงกันไม่มีความเมตตาต่อกันเขาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามรังแกเบียดเบียนกันให้มีความเมตตาให้มีความสงสารตาดำดเกิดมาก็คอยวันตายด้วยกันทั้งนั้น ท่านก็อยากให้เมตตากันท่านจึงสอนให้งดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เนึกแ่สงสารกันทีบางคนบอกถ้าไม่ฆ่าสัตว์นี่ล้วจะเอาอะไรกินที่ฆ่านะ่ะจําเป็นหรอไม่ใช่ใจดํามามาเห็ดดอกข่าเพื่อเป็นอาหารอันนั้นมันเป็นเหตุผลที่ถูกต้องแต่เป็นเหตุผลในมุมหนึ่งแต่มันมีหลายมุมว่าแน่ใจไหมว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่เป็นปัจจยธรรม คนเราฆ่าเพราะต้องเอามาเป็นอาหารเท่านั้นหรือแล้วที่คนฆ่าคนอยู่ทุกวันฆ่าเพื่อเอามาเป็นอาหารหรือที่ต้องยิงต้องฟันกันนั่น่ะฆ่าเพราะความขาดเมตตาพระพุทธเจ้าท่านกลัวมาถึงจุดจุดนี้ฉะนั้นท่านจึงตัดไฟแต่ต้นลมท่านเป็นนักมองการไกลนี่ถ้าจะอธิบายนั้นละเอียดมากในเรื่องของศีลทุกข้อแหละแต่ตมาไม่ต้องการเน้นจุดนี้ ที่ว่าต้องการเน้นเรื่องสมาธินั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตอนแรกก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ดอกตอนเกิดมาในในฟ้าในวังเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะเจ้าชายสิธฐฐานเกิดมาแม้จะในครอบครัวของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็สะดวกสบายกว่าคนธรรมดาเยอะแยะพวกเราก็คงทราบประวัติดีแล้ว แต่สะดวกสบายถึงเพียงนั้นก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตันทีต้องมาบวชบวชแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตันทีต้องมาทุ่มเทปฏิบัติทุ่มเทเกือบตายก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไปอดเข้าอดน้ําเกือบตายผิดทางเหนื่อยเกือบตายแต่ว่าผิดทางนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เหมือนคนเกิดมาหลายปีแต่ใช้ชีวิตผิดทางมันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเราไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมอยู่สร้างความหายยนะไป นิสัยก็เสียมากขึ้นมากขึ้นที่เขาเรียกว่าสันดานชั่วมันหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วมันจะแก้ยากท่านิสัยชั่วมันอยู่ในเรามากๆแล้วนั่นลแน่ะตัวเสนียตัวจันไรนิสัยชั่วนิสัยไม่ดีนั่นแหละมันจะพาให้เกิดเคราะร้ายให้เกิดความผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้เพราะตัวเชื้อข้างในมันเป็นต้นเหตุมันเป็นต้นตอฉะนั้นเรื่องโชคไม่ดีเรื่องเคราะร้ายเพราะอะไรนี่มันเป็นปลายทางจริงๆแหละ ต้นทางจริงๆมันอยู่ที่ใจได้เก็บไว้เมื่อไรได้ทำชั่วไว้เมื่อไหร่ใจมันบันทึกไว้หมดกล้องถ่ายรูปไหมมันจะเป็นกล้องที่มีรูปร่างใหญ่โตแต่สิ่งที่บันทึกภาพมันอยู่ข้างในกล้องเล็กๆเขาเรียกว่าฟิล์มคนเราไม่จะมีการกระทำไม่จะมีการพูดเมื่อทำก็เห็นได้เพราะกิริยาทางรูปร่างเมื่อเราพูดอะไรก็สามารถรู้ได้ง่ายเพราะเป็นเสียงที่ดังให้ได้ยิน แต่เมื่อทําไปแล้วพูดไปแล้วใจนั้นมันบันทึกไวเก็บนิสัยเคยเคห์เราะคนบ่อยๆเป็นเรื่องของมือลราไปเขกแต่ว่าใจมันจะเคยตัวมันจะเก็บนิสัยไม่พอใจปั๊บก็มังเอะก๊อกใส่ให้ตัวมือมันไปเร็วเพราะอะไรมันไปเพราะนิสัยของมันนิสัยมันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ข้อมือหรอกมันอยู่ที่ใจผิดใจปั๊บว่ากใส่แล้วก็ด่าลั่นเรื่องเสียงมันดังนะมันออกจากปากแต่ที่จริงมันเป็นนิสัยของเขา หาเหตุให้เขาเกลียดหาเหตุให้เขาตีหัวหาเหตุให้เกิดศัตรูตัวซวยมันอยู่ข้างในลรามันหาแต่เหตุชิบหายเราไม่ให้ชีวิตพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะให้เกิดมาเพื่อสร้างตัวซวยเพื่อเก็บตัวซวยเอาไว้ในจิตใจท่านทั้งหลายมาวันนี้นะมาเก็บตัวซวยหรือมาเก็บตัวบุญมาเอาตัวบุญมาสร้างบารมีฉะนั้นจะให้อัตมาไม่ชื่นชมยินดีได้อย่างไร พ่อแม่ป่วยปวดหัวไม่อยากจะทํางานแต่พอคิดถึงลูกลราหายปวดหัวแหละหายเหนื่อยและทํางานเหมือนคนไม่เจ็บไม่ป่วยอาตมาก็นั่งเหนื่อยอยู่เมื่อกี้แต่พอจะขึ้นธรรมะคิดว่าเอาพอเอาเหตุผลธรรมะมาชาร์หัวใจเท่านั้นแหละว่าพระพุทธเจ้านะั้นลำบากเพื่อสังคมมากไปมาลําบากไม่ต้องให้ใครมาง้องอนตัวเองมาเที่ยวฟังตัวเองบางที่ต้องไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนเขาถึงไรถึงนาน คนระดับลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ได้ไว้ยศไว้อย่างแต่ความเมตตามากดัานด้นไปโปรดไปฉุดไปดึงให้เขาสูงให้เขาประเสริฐให้เขาพ้าพนจากความหายนะทางจิตใจถ้าจิตใจหายนะจิตใจเอาคุณภาพที่ไม่ดีไว้มากๆแล้วนอกจากจะเสียนิสัยอยู่ภายในแล้วมันจะเป็นเหตุให้เขาทาชั่วพูดชั่วเสียกิริยามารยาทภายนอกด้วย จากการเสียกิริยามารยาทแล้วสิ่งที่เขาทํามันจะนําความหายนะมาพูดด้วยความเสียมารยาทนั้นเขาจะต้องเดือดร้อนสักวันใดวันหนึ่งจะเห็นได้ชัดเจนด่าคนตะพื้ตะพือได้รายนี้เดี๋ยวสักรายหนึ่งก็จะโดนเตะคนบ่อยรายแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งตัวเองจะโดนบ้างเขาเรียกว่ามันหาเหตุจนได้ฉะนั้นท่านเก็บสิ่งใดไว้ในใจ ในชาติก่อนๆถ้ามันให้ผลยังไม่หมดมันยังติดมากับใจของท่านซึ่งเป็นเหมือนปินถ่ายภาพฉะนั้นถ้าท่านจะเจอผัวเคเร่าทั้งๆ ท, ที่ดูดีแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้พยายามอบรมลูกในทางที่ดีพยายามขยันให้ลูกดูเป็นตัวอย่างลูกจะได้มีนิสัยดีท่านพยายามเต็มพี่แล้วแต่ไม่ได้ดังใจท่านมีอะไรสักอย่างแล้วเป็นตัวซวยอยู่ข้างในเป็นเชื้อเก่า แต่ถ้าสมมติว่าอาตมาปีนี้ก็ไม่ทนานาปีหน้าก็ไม่ทํานาแต่ตมามีเข้ากินเหลือเผื่ออีกคนหนึ่งทําทุกปีแต่เข้าไม่พอกินไม่ขวบปีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาตมาไม่ทํานาโดยกิริยาที่จะต้องกลมกมเงยเงยแต่ว่าปีก่อนๆทานาได้เยอะนี่เอาเข้าไปไว้ในยุ้งในฉางเยอะแยะฉะนั้นเมื่อมันมีในฉางเยอะแยะแล้วนี่ไม่ทำสิบปีสบายสิบปีก็ยังอยู่สบาย บางคนเกิดมาถึงจะไม่ค่อยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเขากินบุญเก่าเขากินบุญเก่าชาตินี้อาจจะสะดวกตลอดชาติก็ได้บุญเก่าอาจจะไม่หมดแต่บางคนนั้นถึงคราวจะล่มจมไม่ยากดอกเมื่อเร็วๆนี้อาตมาต้องขออภัยพี่น้องบ้านกลางใหญ่ทราบเหตุการณ์ดีว่าแต่อาตมาจะไม่เอ่ยชัดเดี๋ยวบางคนจะไปแปรเจตนาว่าไปซ้ําเติมไม่ใช่หรอก มีคนคนหนึ่งอยู่หมู่บ้านไม่ไกลจากบ้านกลางใหญ่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างน่าคิดแต่หลายคนไปดูแล้วไม่รู้จะคิดแต่ไปดูไปเห็นเหตุการณ์แล้วมาเล่าให้อัตมาฟังอัตมาคิดเพราะอัตมามีเชื่อเป็นธรรมะอยู่ข้างในพอที่จะคิดอะไรแบบธรรมะเขามีคนคนหนึ่งฐานดีและมีตำแหน่งทางสังคมมีหน้ามีตาพอสมควรตาแหน่งอะไรนั้นไม่ขอเอ่ยอยู่ๆมา ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปอาตมานั้นจะจําอะไรไม่ค่อยแม่นมัน่นแต่ว่าในเนื้อหาสาระนั้นจะจําได้ดีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องราต้องถูกปรับเป็นจํานวนสามแสนกว่าดูเหมือนจะว่ารถสิบลอ้อไปชนเสาไฟฟ้าและเสาไฟฟ้ามันหักมันล้มมันสายขาดแล้วมันไปเกิดอันตรายออรต่ะอะไรนี่แหละ ก็ถูกปรับและยังไม่พอหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดไฟไหม้บ้านอีกพอบวดแล้วทุ่มเทเกือบตายลำบากถึงเพียงนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกไม่หมดกิเลสไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่บวชมาพอปีที่หกเดินถูกช่องทางเท่านั้นเองได้ผลในปีนั้นเป็นอันว่าบวชมาหกปีนี่เสียเวลาหกเสียเวลาห้าปีกว่าแต่ในปีที่หกนั้นจับ ถูกทิศ ท, ทางของการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ใจหมดกิเลสที่เรียกว่าโมฆะธรรมทางเป็นเครื่องหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดรวยแค่ไหนก็เจ็บหลังเป็นรวยแค่ไหนก็ปวดฟันเป็นรวยแค่ไหนก็ปวดหัวเป็นซึ่งเ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดบางคนไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยโดยแต่ทุกข์ปวดสมองเพราะหนักใจเรื่องลูกมีลูก สิบคนบางทีไม่ได้ปวดเพรไปทุกคนหรอกมันจะมีคนหนึ่งนั่นแหละนอกคอกให้เราต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับมี่เขาเรียกว่าทรมานกันเล่นๆ เ, เกิดมาเพื่อทรมานกันเราเป็นคนรักเขาเราทุ่มเทเพื่อเขาเลี้ยงดูเจสที่เจเจียวใ ห, ให้แต่เขาก็กลายเป็นพิษที่ทําให้เรากินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับทําให้เราต้องกลุ้มกลุ้มกลุ้มและจิตจะเสื่อมเร็วเพราะถ้ากลุ้มมากๆนี่ไม่นานยังไม่แก่เดีย๋ยว้เงอะงะลืมหน้าลืมหลัง บางคนก็บอกว่าเขาลืมหน้าเลืมหลังเพราะเขางานหนักจัด ก, กรรมมากบางคนไม่ได้ตรด ก, กรรมดอกแต่กลุ้มมากๆในธุริตมันเสื่อมเร็วอันนี้ก็ยกตัวอย่างเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าพอเดินถูกทางบวชได้พรรษาที่ห้าผ่านไปแล้วพอพรรษาที่หกฝึกสมาธิไปนั่งไปทําใจให้สบายไม่คิดไม่ว้าวุ่นไม่ห่วงลองทําใจให้เฉยๆดูให้มันสงบนิ่งดู เอานั่งไปนั่งไปมันมีพักหนึ่งมันวูบไปเย็นเหลือเกินสบายเหลือเกินไม่เคยพบมาก่อนสบายจากการอยู่ปราสาตราชวังก็เคยสบายมาแล้วแต่ตอนนี้นั่งสมาธิไปแล้วไหมมันสบายกว่านั้นเหลือเกินพูดไม่ถูกเพราะมันเป็นเรื่องหัวใจที่สัมผัสกับความสบายอยู่ในปราสาตราชวังก็มีความเย็นแต่วันนั้นเมื่อจิตสงบเต็มที่แล้วมันเย็นเหลือ เ, เกิน เย็นยันไม่รู้จะพาวนาอย่างไรเพราะเพิ่งเคยพบเกิดมาตั้งหลายปีอายุตั้งสามสิบห้าปีเกือบเต็มแล้วยังไม่เคยพบมาเย็นก็แสนเย็นสบายก็แสนสบายเบาเนื้อเบาตัวเป็นชีวิตที่แมมันดูดดื่มดูดดื่มแล้วเกินสุกอยางดูดดื่มแล้วเกินฉะนั้นตอนนั่งและใจมันสงบนี่แหละอ่าวเมื่อกี้ทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้ วันต่อไปก็อยากจะเป็นแบบนี้อีกก็นั่งไปพยายามให้ใจมันอยู่นิ่งๆพอใจไม่คิดโตกไม่คิดต้่มไม่คิดห่วงใจอยู่นิ่งๆอยู่นานๆไม่หวอกแวกไม่กัดแกวงไม่สัดตสยอยู่นิ่งๆนานๆเอาเป็นอยู่เหมือนเดิมเอาถูกทางแล้วฉะนั้นต่อไปนี้จะพยายามทำใจให้นิ่งจับทิศทางได้แล้วทำใจให้นิ่งนั้นจะให้มันนิ่งอย่างไรหนอหาวิธีการ ก็เห็นวิธีการเยอะแยะที่จะให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้มันอยู่นิ่งๆมีวิธีการเยอะแยะแล้วเลือกทมเมื่อทำทางสมาธิก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เ, เห็นความมหัศจรรย์ขึ้นทางจิตใจบางทีเกิดหูทิดตาทิ์เห็นอะไรได้ไกลๆโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีคนคุยกันอยู่ใกลๆนั่นคนละอำเภอคนละจังหวัดสามารถรู้ว่า คนคนนั้นกำลังคุยเรื่องอะไรบางทีโยมกำลังคิดอะไรนี่สามารถรู้เลยว่ากำลังคิดอะไรนี่เขาเรียกว่าไม่เคยอัศจรรย์มาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่มาเป็นเพราะฝึกสมาธิฝึกไปฝึกมาไม่ใช่แต่มีหูติพตาทิพเท่านั้นเอาไปเอามาหมดกิเลสใจที่หมดกิเลสก็คือใจที่ไม่มีสิ่งเปรื่อ น, นไม่มีโลกไม่มีโกรธไม่มีหลง มันสบายแค่ไหนก็ต้องถามคนที่โลภมากกว่าทุกมากแค่ไหนโกรธจัดๆนั้นอย่าว่าแต่โกรธทั้งวันเลยโกรธแค่20นาทีมันจะชักตายอยู่แล้วเราบางคนดาลั่นหน้าแดงกลําทะลกผ้าสิ้นขึ้นมากระทืบดิน้นยังก็เป็นหน้ายักษ์หน้ามาัน่ะมันทุกขนาดไหนความโลภมันอยู่กับเราไอ้ความโกรธมันอยู่กับเราความหลงหนุม่มหลงสาวสาวหลงหนุม่มมีคนไปขัดขวาง ฆ่าตัวตายแต่เยอะแยะเขาตุ่มขนาดไหนรักกันไม่เป็นอันกินอันนอนพระรู้ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกว่าสงสัยมหาเคยพบสิ่งเหล่านี้อาตมาไม่เคยพบเราไม่ได้เดินเส้นทางนั้นจบป .4 ก็บวชเลยจบป .4 อายุแค่12ปีเท่านั้นบวชตั้งแต่เล็กจนบัตรนี้ฉะนั้นวันนี้ยอมไม่ทานข้าวเย็นหนิ้วไหมหนิ้วก็ทนเอาเถอะวันเดียว ในผู้เทศในทนมาอีกสามสิบปีแล้วยังไม่ตายเลยยังมาเบ่อใดยืนอดขาแรงมาดนแรงฉะนั้นบ่เป็นยังเดอ้อผู้ไดรับสินแปดผ่ดไดดกินเขาอแรงมือนี้บ่เป็นยังบ่าตายสักรับพระพุทธเจ้าประเสริฐได้เพราะปฏิบัติสมาธิหลงปูมั่น ก่อนก็เป็นคนธรรมดาพอมาบวชก็เป็นพระธรรมดาอยู่กับเพื่อนพ้องก็ไม่ได้เด่นไม่ได้ประเสริฐกว่าเพื่อนแต่ขยันเลือกเงินฝึกสมาธิฝึกไปฝึกมาหลวงปู่มั่นกลายเป็นพระไม่ใช่ธรรมดาเอแสดงว่าสมาธิมันทําคนธรรมดาให้เป็นคนไม่ธรรมดาทําคนธรรมดาให้เป็นคนน่าทึ่งทําคนธรรมดาให้เป็นคนน่าอัศจรรย์ฉะนั้นประวัติหลวงปู่มั่นถ้าใครได้อ่านก็ อาจจะมีความเชื่อไม่ถึงร้อยเปอร์เซนแต่ว่าพระที่เคยติดตามท่านน่ะก็มีไม่ใช่น้อยที่ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านเรามันพูดยิ่งกว่าหนังสือซะอีกบางทีเขียนไปให้คนอ่านเกรงว่าจะโม้เกินไปแต่เวลาท่านพูดให้พระเนมในวัดฟังนี่ติดตามหลวงปู่มั่นและเหตุอัศจรรย์มันเกิดยังไงยังไงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะท่านไม่ได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาท่านจริงได้สิ่งที่มีใช่ธรรมดาโอ๊ฟังละเอียเนาะ ท่านไม่ได้ใช้ชีวิตธรรมดาท่านเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดาเผื่อเอาเนรราื้ตี้แล้วเนาะบอกง่ายหลายสิ่ที่จังปอกยังรรให้กินง่ายๆง่ายปวดปอกเอาเองเนรรื้ี้เราบางอย่างเนาะกล้วยกับปอกบรยากดอกหลวงปู่เทศก็ไม่ใช่พระธรรมดาแล้วแหละหลายสิ่งที่เราไม่เหมือนท่านเพราะท่านไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนเราโอ้ยนี่หลวงปู่เทศบ้านอยู่ใกล้บ้านกลางใหญ่ น, นดูเถอะว่า คนแถวนี้เที่ยวกราบเที่ยวไหวคนนั้นไปขอเงินสร้างวัดตรงนั้นตรงนี้สร้างโบสถ์สร้างกุติสร้างวิหารไปขอเอาขอเอาหลวงปู่ท่านในทํางานอะไรเงินเดือนทั้งกี่หมื่นไม่ได้ทํางานทําการแต่มีเงินเงินออกจากกระเป๋าคนอื่นเสียด้วยแต่ไม่ใช่ไปบังคับไปขู่เข็นไปขี้ไปปล้นไปหลอกลวงแต่มีตัวบรารมีนี่มันทําให้หลังไหลามาทุกทิศทุกทาง คนไม่มีบุญเนี่ยมันมีแต่จะออกจากกระเป๋าแหละเดี๋ยวลูกคนนั้นไปก่อเรื่องเนี่ยเสียไปประกันตัวลูกออกจากคุกเดี๋ยวลูกก็ไปเที่ยว ก, กินเหล้าเมายาเกิดอุบัติเหตุลูกจะตายด้วยความรักลูกใจหนึ่งก็โมโหที่มันชอบเที่ยวเตร่กินเหล้าเมายาทะเลาะอาละวาดใจหนึ่งก็เกรงลูกจะตายเอาไปเอามา ก, ก็จนจนได้แหละเงินมันเสียหลายทางล่งปู่เทศเงินไม่ใช่น้อยล่องปูชาล่องปู่แหวน คนมีบารมีไม่ได้หมายความว่าจะต้องวัดที่เงินแต่ว่าโยมจะเข้าใจได้ง่ายว่าโยมน่ะแสวงหาเงินกันเหลือเกินทํางานก็ทําซื้อหวยก็ซื้อไม่แต่เจ็บช้าน้ําใจซ้ำเติมอืมแต่ก่อนหวยออกเดือนละสองครั้งคือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเงินไม่ค่อยมีใช้ใกล้วันที่สิบหกก็หวังขึ้นมาเอาขุมเขาไปเสียมีตอนนี้แหละติดตัวร้อยบาทปั๊บเข้าไปเกลี้ยงเจ็บใจวันนั้น เก็บใจวอาเสียดายเงินเก็บไว้ซื้อขนมให้ลูกจะดีกว่านี้เออพอพอเสียไปแล้วจึงได้สติไม่กี่วันลืมอีกแล้วมันเป็นกรรมของสัตว์พอจะถึงวันที่หนึ่งเอาอีกแล้วบ้าคือจังฝันคือคืนในเดือนเอนเอาอีกถูกเขาเคียนอีกเดือนหนึ่งเจ็บตัวสองครั้งแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะเขาเคียนทุกวันเขียนเช้าเขี่ยนเย็นเช้าไม่ถูกเสียใจเอาบ่ายเขาว่าไม่ดีดังมาทางนั้นเอาเข้าไปอีกผิดอีก ถ้าหัวใจเราจะต้องเจ็บช้ำวันละสองครั้งต่อไปนี้คนจะอายุสั้นไหนจะล่มใจเพราะลูกไหนจะห่วงงานห่วงการไหนจะต้องถูกหัวถลม่มหัวใจให้มันเหนียวนั่งคอตกทำไมซึมเต้าเงางงอยป่วยหรือป่วยยังไงหัวไอ้เตล่นมดเนือ้อมัดโตมานี่บ่มีอารมณ์เพ็ดเบียบเพ็ดงา น, ม, น, นมาส่วนมหัวยเตะหัวใจเตะจนซำมแนนั่งคอตกอยู่ เฮ้ยว่าอยู น, น้ำมันในถุอจออะน <c oughs> ้อก่ะไี่ยอมบอ ก, กเลื่นหวยหลอกหวยอยังหวยรัตตบีโอ้ยหลวงปู่เทศทันรวยก็ไม่ได้เล่นหวยทันมีบุญมีบา ร, รมียอมี่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนรวยไม่ใช่รวยเพราะหวยหรอกรวยเพราะขยันทํามาหากินก็มีรวยเพราะฉลาดวิธีหากินก็มีรวยเพราะมรดกเดิมก็มีแต่ที่รวยแบบถูกหวยนะ่ะม่้ถ้าจะมีก็คงจะหาน้อยหาได้ยาก นั่นเข้ามาปูเห็นดังเราจากประตูวัดเดินเข้ามาปอดขึ้นที่เนินตรงนั้นมีต้นไมใ้ใหญ่ๆ่อยู่ใต้ายมือมีป้ายเขียนตอนนี้ค่อนข้างจะลบเลือนแล้วแหละป้ายเขียนตัวใหญ่แดงเขียนว่าเคยจนแล้วร่ํารวยเพราะถูกหวยมีกี่คนอาจมาถามทุกคนแหละที่เข้ามาอย่างนั้นป้ายแขวนไว้อยู่านั่นแต่ป้ายมันพูดไม่เป็นถ้าโยมไม่อ่านก็ไม่เห็นหรอกเคยจนมาก่อนแล้วมาร่ํารวยเพราะถูกหวยมีกี่คน ให้มองดูบ้านใกล้เรือนเพียงบ้านนั้นด้วยเพราะอะไรบ้านนั้นด้วยเพราะอะไรเมดบ้านกลางไงอาตามาบอกท่านเห็นอยู่วะผู้ใดลวยย้อนตืกหวยเห็นตว่าผู้นั้นขยันผู้นั้นเป็นค้นไม่มรดกเดิมเก่าหลายเป็นจังสัอนอันติ ว, ว่าผู้บ้านนั้นรุยย้อนหวยกันสมุิว่าบ้านกลางไงนี่หาลอยหลังค้าสมุดกันสี่นี้วยย้อนหวยอีหลีเดียวกันเดียวไอ้มหาบ่อูัวซื้อไมีอยู่ะผู้รุยย้อนหวยเอาถ้ามีอาตามาให้อย่างมากไม่เกินสามบ้าน ไม่เกินสามหลังคาหรือบ้านของใครก็ตามพูดอย่างนี้เป็นการพูดแบบเอาความจริงกันเมื่อหลวงปู่ทั้งหลายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ดุลเป็นต้นท่าได้ดีเพราะสมาธิโยมหลายคนก็สนใจเรื่องสมาธิสนใจโดยการค้นคว้าศึกษาอ่านตำรับตำราสนใจโดยการฟังครูบาอาจารย์แนะทั้งเทส บางคนสนใจจนไปหาฝึกสมาธิบางคนสนใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าสมาธิมันเป็นประโยชน์อย่างไงบ้างแต่อยากฝึกเฉยๆจะถามว่าฝึกทำไมรู้ไหมสมาธิมีประโยชน์อย่างไรไม่รู้เขาว่าดีก็อยากฝึกดูบางคนบอกว่าฝึกสมาธิแล้วจะมีตาทิพย์เห็นนรกเห็นสวรรค์ก็อยากเห็นก็แค่นี้เองเป็นตัวเหตุที่อยากฝึกแต่บางคนนั้นอยากฝึกเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านทำทางนี้ เห็นว่าท่านเป็นพระดีเป็นพระประเสริฐก็อยากทาตามครูบ า, าอ า, บาจารย์เอาครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางชีวิตไม่เอาขี่เล่าขี่ยาพี่โบขี่ไพ่ไม่เอาเจ้าชูา้มาเป็นผู้นำทางใครชอบเอาคนชั่วนำทางกรรมจะย้อนมาหาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าใครชอบเดินตามรอยพระพุทธเจ้า พยายามเก็บบุญเก็บบารมีเหมือนครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐชีวิตของท่านเกิดมาพลอยประเสริฐเไปด้วยเหมือนท่านอยู่ใกล้สิ่งที่เย็นท่านจะเย็นไปด้วยถ้าท่านอยู่ใกล้กองไฟแม้ท่านไม่อยากร้อนแต่ท่านต้องร้อนเอาใจไม่อยากร้อนมันเป็นเรื่องของใจแต่ตัวเหตุคือไฟมันอยู่ใกล้ท่านฉะนั้นท่านไม่อยากเคราะร้ายแต่ท่านต้องเคราะร้ายเพราะตัวเหตุมันอยู่ในใจของท่านท่านเคยทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วไว้ สิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยๆทยอยให้ผลเหมือนมีเงินมีทองใช้ไปมันก็ค่อยๆให้ประโยชน์แก่เราเบิกมาซื้ออาหารก็ได้เบิกมาซื้อเสื้อผ้าก็ได้เบิกมาซื้อรถก็ได้บุญบา ร, รมีมันก็ออกดอกออกผลเป็นประโยชน์เยอะแยะเลือกหัวได้ดีเลือกเมียได้ดีมีลูกว่านอนสอนง่ายมีเพื่อนพึ่งฟ้าอาศัยได้ไม่ทรยศหักหลังเป็นเรื่องของคนมีบุญบา ร, รมีทางนั้น แล้พุทเทศน์ไม่มีแค่ไหนอาตมาชาติก่อนคงไม่ค่อยได้สร้างบุญบา ร, รมีมากชาตินี้อาตมาก็ลําบากมากแต่ก็ไม่ท้อถอยเดินหน้าอย่างคนจนคนลําบากแต่ก็พยายามเดินให้มันถูกทางก็มั่นใจอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าคือแบบฉบับของชีวิตที่สมบูรณ์แบบดฉะนั้นใครจะว่าอย่างไรนั้นก็ตั้งใจอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องของใจเขาและปากเขาตัวเราจะต้องแกร่งและมั่นคง ก็คิดอย่างนี้แต่จะทำได้แค่ไหนมันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบอันนี้ต้องการผู้ทีญาติโยมเห็นว่าพวกเราก็ควรเอาพระพุทธเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างเกิดมาแล้วไม่ได้สแสวงหาความชั่วให้ไปติดปเปื้อนที่ใจของตัวเองพยายามที่จะสลัดสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากชีวิตที่เรียกว่าตัดกิเลสโดยสิ้นซากสิ้นเชิงอย่างพวกเรามาในคราวนี้คงตัดไม่สิ้นซากในวันนี้แต่เราก็ตัดทีละนิด บันทอนทีละนิดสักวันหนึ่งมันก็แหงนลงแหยนลงเห ล, งลือน้อยลงน้อยลงและสักวันหนึ่งมันคงจะสิ้นสากมันคงหนีกดความจริงไม่ได้หรอกถ้าเราสามารถเอาความโลภออกได้ทีละนิดทีละนิดลดความเห็นแก่ตัวได้ทีละนิดทีละนิดพยายามไปไเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดต่อไปวันข้างหน้าจะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวความโลภหมดความโกรดนั้น เมื่อโกรธทุกครั้งมันเป็นทุกเห็นชัดเจนว่าโกรธแล้วเหมือนเผาตัวเองมันรุ่มร้อนมันปลัดกลุ้มมันทุรนทุรายและจะยังเผาตัวเองไปอย่างนี้นานสัเมื่อไหร่เมื่อไรจะดับไฟกองนี้ถึงจะดับเลวที่มันลุกโชนช่วงไม่ได้ก็อย่าให้มันโชนช่วงมากนะักมันร้อนมากเหลือเกินบางคนนั้นเกิดมาในชาตินี้ร้องให้สองครั้ง บางคนอยร้องให้นับครั้งไม่ถ้วนเจ็บช้ำน้ําใจนับครั้งไม่ถ้วนผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วนทําไมโลกมันอึดอัดทับแคบไปหมดนัก บ, บุญนะักมาเขาต้องป้อนบุญเลยการเทศก็เป็นการป้อนบุญนักสนุกนั้น ก, ก็ต้องไปดูหมอลำต้องไปดูภาพประยนตร์นี้พวกเรามาฟังฟังเพื่อไม่ใช่เพื่อเอาเสียงอกแต่เอาความถูกต้องความดีงามเอาเนื้อหาสาระจาก ทำเทศเทนี้เมื่อสมาธิทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทําให้เป็นหลวงปู่ขาวลหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเป็นต้นได้มีคนสนใจมากขึ้นหลายคนก็ถามอาตามาว่ามีม้วนเกี่ยวกับสมาธิไหมบอกว่าแต่ก่อนนี่แต่ทีนี้อจจัดแจกคนไปมากแล้วจะไปขอคืนมาอัดเนี่ยก็ไม่อยากรบกวนเขาตั้งใจว่าสักวันหนึ่งคงได้เทศวันนี้ไม่ได้ตั้งใจล่วงหน้าหรอกแต่พอท่านอาจารย์เจ้าวาดนิมนต์ ก็เลยตัดสินใจไว้จะเทศเรื่องใดดีก็มาคิดก่อนจะขึ้นธรรมาะเอาเรื่องสมาธิเอาสมาธิถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วจุดสูงสุดนั้นปลายทางอยู่ที่การหมดความชั่วช้าในใจิตใจจะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บารมีเต็มเปี่ยมนั่นถ้าสูงสุดเราจะท้อแท้ไหมกับสิ่งที่มันดีสุดยอด แล้วพิเทพวันนี้จะพายมไปถึงความดีสูงสุดขั้นสุดยอดได้ไหมไม่ได้แต่ตมาก็แน่ใจว่าสักวันหนึ่งต้นไม้ที่มันจเจริญไปเรื่อยๆมันสูงเต็มที่ใหญ่โตเต็มที่เมื่อนั้นจะได้ประโยชน์จากต้นไม้นั้นมากที่สุดฉะนั้นบารมีก็เช่นเดียวกันพูดเรื่องสมาธิก็อยากจะพูดแบบประยุกต์ ประยุกต์นั้นหมายถึงว่าไม่พยายามให้มันเป็นตัวหนังสือเกินไปแต่ประยุกต์ให้มันเป็นภาษาหัวใจเข้าใจกันแบบพื้นๆและจะประยุกต์อีกแบบหนึ่งก็คือจะพยายามพูดสมาธิให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้งไม่ให้เป็นเรื่องต่างหากจากชีวิตถ้าสมมติว่ายอมปฏิบัติแล้วกิเลสไม่หมดยมจะหมดกําลังใจไหมว่านั่งสมาธิทําไมนั่งไปแล้วก็ไม่ได้หมดกิเลส เหมือนพระพุทธเจ้าไม่เป็นไรมีเงินแล้วซื้อรถเก๋งไม่ได้ก็อย่ามีเสียเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมีไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านซื้อรถเก๋งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มีสักมื่นสองหมืนนี่มันก็ยังพอได้ประโยชน์อยู่หิวน้ำแล้วเกินกระหายน้ำแล้วเกินคอแห้งแทบ จ, จะเป็นตะคิวตายอยู่แล้ว ถ้ามีน้ำมาให้ดื่มสักเหยือกหนึ่งหรือสักห้าแก้วนี่ไม่ได้ไม่ใช่พูดเทศขอน้ำนะแต่สมมติแต่เราไม่มีน้ำถึงห้าแก้วนี่ได้สักครึ่งแก้วนี่มันดีกว่าไม่ใช่หรือถ้ามันหิวจริงๆจะต้องตายภายในสามชั่วโมงนี่แต่ถ้ามีครึ่งแก้วมาต่อนมันจะไม่ดีกว่าจะตายเร็วอย่างนั้นหรือ ฉะนั้นเรื่องการฝึกสมาธิถึงเราจะไม่ได้มุ่งในแง่ของการหมดกิเลสเราก็ควรจะคิดว่าขอให้กิเลสมันน้อยลงมันจะได้ไม่เล่นงานใจเรานักมันจะไม่ทําให้เราผิดหวังมากเรื่องนักถ้าชาตินี้มันผิดหวังเป็นร้อยเรื่องนั่งสมาธิแล้วฝึกสมาธิแล้วนี่มันอาจจะลดลงฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อเพราะยังไม่ได้ให้เหตุผล แต่ตมานั้นพิจารณาสังเกตหลายอย่างมีความเชื่อมั่นโดยจิตใจไม่วอกแวกเลยว่าศีลสมาธิปัญญาสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าสามารถฝึกชีวิตให้เป็นศีลได้โดยอริยกันตศีลคือหมายความว่าทำอะไรแนละ้วทำหนึ่งว่าเอ๊ะมันดีงามแน่มันถูกต้องแน่สิ่งที่ทำนี่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์แน่อย่างนี้ก็เรียกศีลแบบอริยกันตศีล คือมันเป็นชีวิตที่ไม่มีโทษมีภัยไม่ต้องมาไลา่เป็นข้อข้อให้มันปวดหัวก็ได้ที่ข้ออันนั้นก็ฝึกเบื้องต้นแต่ชีวิตจริงๆจะต้องทําดีตลอดสิ่งที่ทําดีนั่นเป็นเรื่องของศีลทั้งนั้นทําให้มันเป็นนิสัยเ้าเอาศีลเข้าไปสู่นิสัยไม่ใช่วันนี้มีคนยกย่องก็ทําดีวันต่อไปไม่ทําแล้วทําแทบตายก็ไม่เห็นใครยกย่องแบบนี้ก็ไม่ได้เอาใจไปเกาะศีลสิสแสดงว่าเกาะไว้กับลมปา แล้วใครจะมีเวลามานั่งเชียร์เรามานั่งยกย่องเรานักบุญจริงๆจะต้องเกาะตัวเองเกาะหลักธรรมะไม่ต้องเกาะปากใครนี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรักด้วยความนับถือนักบุญทุกท่านอยากให้มีความเป็นตัวของตัวให้มากเรื่องศีลนั้นอัตมาก็ไม่เน้นแม้จะเป็นเรื่องสำคัญมากก็ตามแต่เรื่องสมาธิกับปัญญานี้จะเน้นมาก ศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติเต็มที่แล้วท่านเรียกว่ามรคนั่นแหละมรแปดเป็นทางเดินเป็นทางประพฤติเป็นสิ่งสำหรับปฏิบัติเพื่อให้หมดกิเลสเพื่อให้พ้นทุกข์ใครๆก็อยากพ้นทุกข์มีทุกข์มาก็อยากพ้นทุกข์แต่อยากพ้นทุกข์แล้วไม่เดินทางที่มันจะสิ้นทุกข์ไปเดินทางที่มันจะชนทุกข์ไปเรื่อยๆ เวลาชีวิตมีความทุกข์มากๆรันทดตัวเองกับเที่ยวสะเดาะเคราะเที่ยวกราบเที่ยวไหว้เที่ยวขอรับน้ํามนต์เจ็ดวัดเจ็ดวานั่นแต่ว่าสาเหตุจริงๆนั้นมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละอยู่ในตัวเราจะหมดทุกข์ได้จะข้ามทุกข์ได้ต้องเดินเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาทํายังไงชีวิตเราถึงจะทําอะไรก็อยู่ในตรอกของศีลแต่ไม่ใช่ศีลแบบยุ่มยิ้ม อันนั้นมันเป็นหนังสือที่เขาอยากฝึกคนในเบื้องต้นสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวกมีความมั่นคงจะอา่านหนังสือก็แน่วแน่อยู่ในเรื่องที่อา่านไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายจะทํางานจะขับรถใจก็แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านมันก็สบายเป็นเรื่องๆทําสิ่งใดมันอยู่กับสิ่งนั้นมันไม่แบกให้ว้าวุ่นไม่ฟุ้งซ่าน แต่ถ้ามือก็ขุดดินอยู่แต่ใจหนึ่งก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สมองมันจะปั่นไปหมดเรียกว่าจิตมันแบกหลายเรื่องแต่คนฝึกสมาธินี้ก็คือการทำจิตให้มันอยู่นิ่งๆให้มันปล่อยวางเนียก็พูดยากว่าจิตปล่อยวางมันเป็นยังไงคือจิตที่ไม่ได้ยึดเหนียวไม่ได้กังวลไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้โศกาอาดูลไม่ได้หึงหวงอะไร จิตที่มีความเป็นตัวของตัวสูงรับรู้การกระทำที่ว่าดีงามและถูกต้องแล้วแต่อย่างอื่นก็ไม่ได้คํานึงไม่ได้กังวล น, นั่นเป็นเรื่องของสภาวะจิตที่เป็นสมาธิโดยสภาวะจิตต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าจะทําตัวปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวเรานั้นจะทําในลักษณะใดไม่ใช่ไปอ่านหนังสือไปตอบให้เต็มแล้วได้ใบประกาศมาได้ปริญญาไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาในที่นี้ที่จะเปลื่ยนทุกได้พ้นทุกได้นั้นต้องเป็นตัวปัญญาที่เห็น ความจริงในสภาวะตธรรมต่างๆเห็นความเป็นจริงของทุกๆสิ่งเอเราคนเดียวจะไปรู้ทุกสิ่งให้ถูกต้องได้ยังไงนั่นน่ะสิถ้าเรามองผิวเผินเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะว่ารู้ทุกสิ่งให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงมีพระเถรรูปหนึ่งท่านอยากจะให้ความหมายนี้ชัดเจนท่านบอกว่าพยายามรู้ในสิ่งเดียวของทุกๆสิ่ง ฟังและยอมเข้าใจว่างไงพยายามรู้ในสิ่งสิ่งเดียวให้ถูกต้องเหมือนกับรู้ในทุกๆสิ่งหรือรู้ในทุกๆสิ่งโดยถูกต้องก็เหมือนกับรู้สิ่งเดียวเอถ้าจับจุดอย่างนี้อาตมาว่ามันง่ายดีรู้ในสิ่งเดียวในทุกๆสิ่งนั้นหมายถึงว่าเราดูเราให้ออกแล้วเราจะเข้าใจอย่างอื่นเพียงแต่อ่านตัวเองแลจะเหมือนรู้โลกทั้งโลก เช่นดูตัวเองว่าอยู่เกิดมาแล้วนี่ตัวเราจะต้องมีลักษณะอยู่สามประการที่พระพุทธเจ้าว่าไว้คือไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจังต้องมีการแปรปลุนต้องมีการเสื่อมโทรมต้องมีการแปรสภาพสองต้องมีความทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์แก้อยู่อย่างนี้นั่งนานเหนื่อยก็ต้องต้องแก้คือหยุดนั่งนานก็ไปนอน นอนมันสบายแล้วเดินแต่นอนนานก็ไม่ได้อีกเป็นทุกข์อีกก็แก้อีกแก้ทุกข์อยู่ไม่มีวันสิ้นสุดวิทยุเสียเขาก็แก่แก่แล้วแบบใช้การนานนมันเป็นเสียอีกแต่พวกเราเนี่เดินก็ต้องหยุดสับเปลี่ยนให้เป็นนั่งบางนั่งก็จะนั่งนานไม่ได้ก็สับเปลี่ยนเป็นนอนเป็นเดินบางแก้อ ย, อยู่อย่างนี้เราไม่เห็นมันมีความสุขลุลุ้นตรงไหนนี่พระพุทธเจ้าท่านต้องการข้ามพ้นความทุกข์ท่านก็เลยฝึกสมาธิ วันนี้อาตมาก็อยากจะโยมตั้งความหวังว่าถึงเราจะไม่ตัดกิเลสสิ้นราดได้ในชาตินี้หรือในการฟังเทศครั้งนี้แต่เราจะขอบรรเทากิเลสให้มันเบาบางลงให้มันลดน้อยลงทำได้ไหมทำได้เพราะกิเลสก็คือความชั่วสิ่งที่ประเพื่อนจิตใจเรามีกายเป็นส่วนข้างนอกจิตใจอยู่ข้างในอะไรที่ประเพื่อนกายบ่อยครั้งเราชาระ เราชะล้างออกอาบน้ําฟอกสบู่ขัดถูฉวยวันก็ทําให้สะอาดเกลี้ยงเปล่าและมีความเย็นมีความสบายตามมานี่เป็นเรื่องกายสกรปรกสามารถขัดออกได้เสื้อผ้าสกรปรกซักออกได้แต่ว่าใจสกรปรกมีนิสัยที่เกียจมีนิสัยมักง่ายมีนิสัยคลิ้ตื่นมีนิสัยบูวามสิ่งเหล่านี้เราก็ขัดได้แต่ต้องค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวว่านิสัยอย่างนี้มันมาอยู่กับเราที่เมื่อไหร่ มักง่ายอย่างนี้บ่อยครั้งทํามักง่ายเดี๋ยวก็เสียหายพูดมักง่ายเดี๋ยวก็เสียหายและตัวที่มันจะทําให้เราเสียหายเนี่ยมันมาอยู่เมื่อไหร่ไม่รู้มันมาตั้งแต่นู่นแหละมันเข้าอยู่ในท้องตั้งสิงมาตั้งแต่เกิดนู่นแหละตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พิ่จิงเรื่องการเกิดเป็นคนนะ่ะวิญญาณจะมาสิงอยู่ในร่างในมดลูกแม่ในช่วงไหนนั้นมีขั้นมีตอนอย่างละเอียดแต่สมาจะไม่เน้นจุดนั้น วิญญาณจะมาช่วงในช่วงที่ว่าพอเอาเป็นอันว่าคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันธาตุดินกับธาตุน้ําผสมกันธาตุน้ําก็คือพวกเลือดพวกสเสลสพวกน้ํามูกน้ําไขข้อเหล่านี้เป็นตน้นพวกธาตุดินก็คือผมขนเล็กฟันหนังสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุดินได้มาจากพ่อว่างั้นธาตุดินส่วนธาตุน้ำพวกเลือดสเสลสน้ํามูกน้ําไขข้อที่มันซึมอยู่ในร่างกายพวกเราเนี่ยได้มาจากแม่ ทีนี้พ่อแม่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก่อนจะเป็นลูกนั้นธาตุดินกับธาตุน้ําผสมกันแล้วมันกลายเป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่ายังไงมันมีลักษณะเป็นเหมือนน้ามันเพียงหยดเดียวในน้อยเกิดขึ้นในมดลูกของแม่ภาษาบาลีเรียกว่ากะละละน้ํามันเพียงหยดเดียวและตัวน้ํามันซึ่งอยู่ในมดลูกแม่ที่เริ่มต้นเป็นน้ํามันหยดเดียวนต่อต่อมามันเริ่มเป็นอะไรมันเริ่มเป็นคณะ ไม่ใช่หยดน้ามันเสียแล้วมันเริ่มแข็งแข็งขึ้นมาเป็นก้อนก้อนเรียกว่าก้อนเลือดไม่ใช่ก้อนน้ํามันแล้วแต่นี้เป็นกลมๆล ม, มีลักษณะเป็นก้อนเลือดในมดลูกของแม่ในช่วงเป็นกะละละนี้เองวิญญาณเข้ามายึดมาสิงอยู่แสดงว่าตอนเป็นกะละละนั้นมีวิญญาณแล้วเมื่อมีวิญญาณแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาก็มาเป็นคณะเป็นก้อนกลมๆมเป็นก้อนเลือด หลังจากเป็นก้อนเลือดอยู่ในท้องแม่ไม่นานต่อมาก็จะมาเป็นเป็ดสีภาษาบาลีเป็ดซี่เป็ดซี่นี่ไม่ใช่เป็นก้อนเลือดแล้วเป็นก้อนเนื้อเป็นลักษณะเหมือนเนื้ออยู่ในมดลูกของแม่อยู่ไปไม่นานก็ขยายเติบโตเติบโตวิวัฒนาการไปจากเป็ดสีก็ไปเป็นปันเจศสาขาเป็นเหมือนก้อนเนื้อแต่มันมีตุ่มออกมาห้าตุ่ม ตุ่มหนึ่งนั้นจะเป็นศีรษะอีกสองตุมจะเป็นแขนและอีกสองตุ่มนั้นจะเป็นขา น, นานๆเข้าเห็นหัวชัดเจนเห็นขาชัดเจนเห็นแขนชัดเจนในเรื่องวิญญาณนั้นมันมาสิงสู่ในช่วงตั้งแต่อในมดลูกของแม่เริ่มเป็นกะล ะ, ละนุนทีนี้ในการฝึกสมาธิถ้าเราไปตัดว่าไม่กังวลในเรื่องที่จะลด ความโลภความโกรธความหลงหลอยให้เราหงุดหงิดนอนเมื่อกายหน้าผากเพราะความโลภลอยให้ตัวเองต้องโกรธขุนเฉียวเดือดดานเดียวกับขัดขวางตาเดียวกับขัดขวางหูไม่พอใจง่ายๆ่ายเหมือนคนใจน้อยหอเอาแต่ความขัดเครื่องขุนเครื่องเข้าสู่หัวใจปรับ ล, ลุ่มบ่อยๆสุมหัวใจเล่นๆถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้ไม่ไหวแน่ มันไม่ใช่ทำให้เราเดือดร้อนเมื่อมีอารมณ์นั้นๆเท่านั้นแต่มันยังเป็นตัวสวยให้เกิดเหตุสิ่งอื่นตามมาเป็นลูกโซ่เรียกว่าตามมาเป็นครวนน่ากลัวทีนี้การฝึกสมาธินั้นก็อยากจะพูดว่าฝึกเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อตัดกิเลสให้หมดสินส้นซากแน่นอนเช่นอย่างพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นนี่ก็หลายคนไม่เข้าใจว่าสินสา้นซากแล้วกิเลสของท่าน พระเถระอื่นๆก็มีผู้พูดกันอย่างนั้นแต่อาตมาในฐานะผู้ถ่ายทอดก็ไม่ขอยืนยันเพราะไม่มีเครื่องมือใดๆที่อาตมาจะยังทราบได้อาตมาไม่มีหูทิพย์ไม่มีตาทิพย์แต่อย่างไรก็ดีนอกจากเราจะฝึกสมาธิเพื่อตัดกิเลสให้สิ้นซากหรือเพื่อให้กิเลสเหลือน้อยลงตัวซวยมันจะได้เหลือน้อยเคราะร้ายมันจะได้เหลือน้อยแล้ว มันยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเหมือนกันสมาธิคือฝึกไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายที่นิยมมีร่างกายด้วยกันทุกคนถ้าโยมฝึกสมาธิแล้วร่างกายของโยมจะได้ประโยชน์เยอะเอแบบไหนฟังดูกันแล้วกันว่าร่างกายเราจะพลอยได้รับประโยชน์จากสมาธิอย่างไรในเมื่อเราฝึกสมาธิคือฝึกจิตใจคือคนเรานั้นฝึกจิตใจก็จริงเวลาใจลุ้ม กายมันเดือดร้อนด้วยไหมทั้ทงทั้งที่มันกลุ้มอยู่ที่ใจแหละนอนกระสับกระส่ายทุรนทุรายนอนมือไก่หน้าผากอย่างนั้นมันนอนไม่หลับเป็นเรื่องของร่างกายแต่สาเหตุมันเพราะใจกังวลใจทุรนทุรายใจกระสับกระส่าย